เป็นจริงหมายถึงอะไร 9.1 ข้อ6ของบทความนี้มุ่งทำความเข้าใจว่าจิตที่รู้ได้ถูกต้องนั้นมีสภาพอย่างไรข้อ7เป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้ข้อ8เป็นการชี้ว่าการรู้ต้องรู้สภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันอารมณ์ ส่วนหัวข้อนี้เป็นเรื่องที่ว่าเมื่อรู้สภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันอารมณ์ได้แล้วต้องระลึกรู้สภาวะธรรมนั้นตามความเป็นจริงตรงตามที่กำลังเป็นอยู่โดยหนึ่งไม่เข้าไปดัดแปลงและแทรกแซงอารมณ์ดังมีสาระสำคัญในข้อ 9.2 และ 9.3 2. ไม่เข้าไปปรุงแต่งจิตที่ไปรู้อารมณ์เหล่านั้น ดังมีสาระสำคัญในข้อ 9.4 และ 3. ต้องรู้ลักษณะของอารมณ์รูปนามนั้นตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าดังมีสาระสำคัญในข้อ 9.5 9.2 การดัดแปลงอารมณ์ผู้ปฏิบัติจำนวนมากชอบดัดแปลงรูปนามอันเป็นอารมณ์กรรมฐาน แตกต่างไปจากสภาวะปกติที่สำคัญมีสองประการคือ 1. การพยายามหน่วงอารมณ์ให้ช้าลงและ 2. การแบ่งซอยหรือเพิ่มขั้นตอนรายละเอียดของอารมณ์ให้มากขึ้นกล่าวคือ 9.2.1 ผู้ปฏิบัติจำนวนมากพยายามหน่วงอารมณ์ให้ช้าลงเช่น พยายามเคลื่อนไหวจะช้าโดยหวังว่าสติจะตามรู้สภาวะอันเช่มช้านั้นได้ทันแท้จริงแม้จะเคลื่อนไหวให้ช้าเพียงใดกิเลสก็ไม่ได้ช้าตามการเคลื่อนไหวนั้นไปด้วยเช่นบางคนเดิน9ละหนาทีแม้จะตามเพ่งจ้องอาการเคลื่อนไหวได้ชัดเจนแต่กลับไม่เห็นความจริงว่าจิตในขณะนั้นถูกโลภะ คือความอยากปฏิบัติธรรมครอบงำอยู่หรือไม่รู้ว่าในเวลาห้านาทีนั้นจิตขาดสติคือคลาดเคลื่อนไปจากการรู้ไปสู่การคิดหลายสิบครั้งแล้วหรือแม้จิตจะไม่ขาดสติคลาดเคลื่อนไปจากอารมณ์นั้นแต่จิตก็กำลังเพ่งจ้องดูอารมณ์จนแนบสนิทอยู่กับอารมณ์เช่นมือเท้าและท้องอันเป็นการทาอารัมมนุปนิชฌาน ซึ่งเป็นการทำสมถกรรมฐานไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานอย่างที่คิดจะทำเป็นต้น 9.2.2 ผู้ปฏิบัติบางท่านแบ่งซอยหรือเพิ่มขั้นตอนรายละเอียดของอารมณ์ให้ทีขึ้นเช่นเมื่อจะรู้ลมหายใจก็รู้การกระทบของลมตั้งแต่จะงอยปากหรือปลายจมูกไล่เรื่อยไปตามการเคลื่อนของลมจนถึงท้อง โดยกำหนดฐานลมไว้หลายๆฐานหรือการทำจังหวะการเดินให้มีขั้นตอนหลายๆขั้นเป็นต้นการกระทำดังกล่าวเป็นผลดีในการผูกมัดจิตไว้กับอารมณ์ซึ่งก็คือวิธีการเจริญสมถกรรมฐานเพื่อจิตสงบอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเมื่อปฏิบัติ ด, ด้วยวิธีการเช่นนี้แล้วจิตก็มักจะเกิดปีติหรือนิมิตอันเป็นผลจากการเจริญสมถกรรมฐาน แต่ผู้ปฏิบัติมักหลงคิดว่าตนเกิดปัญญาหรือญาณะเพราะนึกว่าตนกำลังเจริญวิปัสสนาอยู่เป็นต้น 9.3 การแทรกแซงสภาวธรรมการเจริญวิปัสสนานั้นเราทำเพื่อให้เกิดปัญญารู้ความจริงของสภาวธรรมคือรูปนาม ไม่ได้ทำเพื่อเกิดความสุขความสงบหรือความดีแต่ผู้ปฏิบัติส่วนมากกลับไม่ต้องการความจริงดังนั้นเมื่อรู้สภาวะธรรมแล้วก็มักพยายามแทรกแซงปรุงแต่งสภาวะธรรมอันเป็นปัจจุบันอารมณ์นั้นให้สุขให้สงบให้ดีด้วยวิธีการต่างๆคือ 9.3.1 เมื่อรู้อกุศลธรรมก็พยายามละ เช่นเมื่อพบว่าจิตฟุ้งซ่านก็พยายามบริกรรมพุทโธบ้างบริกรรมฟุ้งซ่านหนอบ้างเพื่อให้หายฟุ้งซ่านเมื่อพบว่าจิตมีการมาราคะก็พยายามพิจารณาอสุภะบ้างเมื่อพบว่าจิตมีโทสะก็พยายามแผ่เมตตาบ้างหรือเมื่อพบว่าจิตเป็นทุกข์ก็พยายามละทุกข์นั้นด้วยวิธีการต่างๆบ้างการกระทาเหล่านี้เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น 9.3.1.1 เพราะเกิดความเห็นผิดเนื่องจากเคยได้ยินคำสอนว่าให้ละความชั่วบาปทั้งปวงพอพบเห็นอกุศลธรรมจึงพยายามละหารู้ไม่ว่าการเจริญวิปัสสนานั้นเลยขั้นการละบาปและการเจริญกุศลมาแล้วแต่เป็นขั้นการทำจิตให้ผ่องแผ้วเหนือดีเหนือชั่วจึงต้องรู้สภาวะ และลักษณะของทั้งอารมณ์ที่ดีและชั่วด้วยความเป็นกลางไม่จะรักอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งหรือบางท่านตีความคําสอนของพระาศาสดาคลาดเคลื่อนเช่นอา่านมหาสติปัฏฐานสูตรธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานนิวรณะบัพภะแล้วเข้าใจว่าพระาศาสดาทรงสอนให้รู้และละนิวรณ์ด้วยจึงเข้าใจผิดว่าการเจริญสติที่แท้จริง มีทั้งการรู้และการละสภาวะธรรมจะรู้อย่างเดียวไม่ได้ 9.3.1.2 เพราะไม่ทราบว่ากิจต่อทุกข์สัตว์ได้แก่การรู้ไม่ใช่การละเมื่อพบทุกข์จึงพยายามละทุกข์อันเป็นการกระทาที่สอดคล้องกับจิตใจที่รักสุขเกลียดทุกข์ 9.3.1.3 เพราะไม่เข้าใจหลักการเจริญวิปัสสนา ที่ให้รู้สภาวธรรมตรงตามความเป็นจริงจนรู้ว่าทำทั้งหลายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาและบังคับเอาตามใจยอยากไม่ได้เมื่อรู้ความจริงแล้วจิตจึงปล่อยวางและพ้นทุกข์ได้ด้วยการปล่อยวาง 9.3.1.4 เพราะคุ้นเคยกับการทำสมถะหรือคิดว่าการปฏิบัติธรรมคือการทำความสงบเท่านั้น สมถะให้ความสุขได้ประนีตยิ่งกว่ากามาสุขผู้ทำสมถะมีความสงบในจิตใจบ้างเกิดความรู้ความเห็นต่างๆเป็นเรื่องสนุกและน่าภูมิใจบ้างจึงเป็นที่นิยมยกย่องกันมากในหมู่นักปฏิบัติแต่พอพบทำอันใดเป็นค่าสึกต่อความสงบจึงพยายามละทำอันนั้น 9.3.2 เมื่อรู้กุศลธรรม ก็พยายามรักษาหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นโดยหวังว่าเมื่อพัฒนาให้ดีได้อย่างต่อเนื่องแล้วจิตจะหลุดพ้นในสักวันหนึ่งข้างหน้าเพราะพระอรหันต์คือคนที่จิตใจดีเลิศเนรันดรทัศนะเช่นนี้ปิดพลาดมากเพราะจิตก็ดีกุศลเจตสิกก็ดีเป็นสังขารทั้งสิ้นย่อมมีความแปรปรวนและบังคับบัญชาไม่ได้ เมื่อรู้ความจริงเช่นนี้แล้วตัางหาจิตจึงปล่อยวางความยึดมั่นจิตแล้วหลุดพ้นเพราะความไม่ถือมั่นไม่ใช่หลุดพ้นเพราะทําจิตที่ไม่เที่ยงให้เที่ยงได้หรือทําจิตที่เป็นทุกข์ให้เป็นสุขได้หรือทําจิตที่เป็นอนัตตาให้อยู่ในอํานาจบังคับได้ 9.4 การปรุงแต่งจิต จะเป็นการรู้รูปนามได้ตรงตามความเป็นจริงนั้นนอกจากจะต้องไม่ดัดแปลงอารมณ์รูปนามแล้วยังต้องไม่ดัดแปลงจิตที่ไปรู้อารมณ์รูปนามด้วยแต่นักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยเมื่อคิดจะปฏิบัติธรรมมักจะเริ่มต้นด้วยการดัดแปลงจิตให้ผิดธรรมดาซยก่อนจึงจะเริ่มจงใจรู้รูปนามหรือไม่ยอมรู้รูปนามเลยก็มีตัวอย่างการดัดแปลงจิตก็เช่น 9 4 1การข่มจิตให้นิ่งผู้ปฏิบัติเกือบทั้งหมดเมื่อคิดจะปฏิบททัติธรรมก็มักจะเริ่มต้นด้วยการดัดแปลงจิตให้ต่างไปจากสภาวะปกติด้วยการทำจิตให้นิ่งหรือสงบสํารวมผิดความเป็นจริงแท้จริงเราจเจริญวิปัสสนาก็เพื่อรู้ความเป็นจริงของกายและใจ หากดัดแปลงจิตใจให้ต่างไปจากสภาวะปกติเสียแล้วจะเห็นความจริงของจิตใจได้อย่างไรมีแต่จะน้อมจิตเข้าหาความนิ่งซึ่งแม้จะเห็นสิ่งอื่นที่จิตไปรู้เข้าแสดงไตรลักษ์ให้ดูได้แต่กลับรู้สึกว่าตัวจิตเองนิ่งสงบไม่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงและไม่แสดงไตรลักษ์ใดๆเลยจึงไม่อาจจะละความเห็นผิดว่าจิตเป็นตัวตนของตนได้ สักกายทิฐิจึงไม่ขาดและผู้ปฏิบัติไม่อาจบรรลุโสดาปติพลได้ 9.4.2 การทำจิตให้ว่างนักปฏบิบัติบางท่านได้ยินครูบาอาจารย์กล่าวว่าเมื่อปฏิบัติไปถึงที่สุดแล้วจิตจะว่างจากกิเลสและว่างจากขันก็มุ่งตรงไปหาความว่างเลยทีเดียว ด้วยการประคองจิตให้นิ่งและปรุงแต่งความว่างขึ้นมาอันเป็นการพยายามเรียนแบบปลายทางของการปฏิบัติโดยไม่คำนึงว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนต้นทางของการปฏิบัติด้วยการให้รู้รูปนามกายใจต่อเมื่อเข้าใจความจริงของรูปนามและปล่อยวางความถือมั่นในรูปนามได้แล้วนั่นแหละจิตจึงเข้าถึงความว่างจากกิเลสและว่างจากขันในที่สุดการจงใจทําให้จิตว่าง อย่างมากที่สุดก็เป็นเพียงการทำจิตให้รู้ช่องว่างคืออากาสานัญญาตนะหรือรู้ความไม่มีอะไรเลยคืออากินจัญญยายตนะซึ่งเป็นเพียงการทำสมถกรรมฐานเท่านั้นบางท่านจิตถึงกับสว่างปลอดโปรง่งคงที่อยู่อย่างนั้นนานๆจนสำคัญผิดว่าบรรลุพระอราหันต์แล้วก็มี ทั้งที่จิตยังหลงโปร่งแต่งพบที่ว่างเปล่าแล้วติดอยู่ในพบนั้นนั่นเองแท้จริงจิตว่างจากกิเลสเพราะมีปัญญาเห็นแจ้งในรูปนามจนหมดความยึดถือในรูปนามและกิเลสตัณหาไม่สบช่องที่จะเกิดได้อีกจิตจึงสามารถรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมอารมณ์ใดๆก็ได้โดยไม่ต้องเลี่ยงการรู้อารมณ์อื่น ไปรู้เฉพาะความว่างส่วนจิตว่างจากขันนั้นไม่ใช่ไม่รู้ขันแต่ทั้งที่รู้ขันอยู่นั่นแหละกลับรู้แจ้งแทงตลอดว่าขันเป็นของว่างจากความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา 9.3.4 การละทิ้งจิตนักปฏบิบัติบางท่านพยายามละทิ้งจิต ด, ด้วยวิธีการต่างๆเช่นหนึ่ง การเพ่งรูปด้วยการรู้การเคลื่อนไหวของกายโดยละทิ้งความสนใจจิตแทนที่จะแยกรูปนามโดยเห็นว่ารูปเคลื่อนไหวใจเป็นผู้รู้กลับเอาสติแนบเข้ากับรูปจนนิ่งสนิทหมดความคิดนึกปรุงแต่งนั่นคือการเพ่งอารมณ์หรืออารามณูปนิชฌานอันเป็นการทําสมถกรรมฐานนั่นเองการเพ่งรูปนั้นเมื่อเพ่งจนถึงที่สุด จะได้จะตุติชานหรือชานที่สี่เมื่อประกอบกับความไม่สนใจนามจิตจะพลิกเข้าอสัญญสัตตาภูมิคือดับสัญญาลงได้จิตก็ดับลงในขณะนั้นเหลือแต่ร่างกายแข็งทื่ออยู่ดังที่เรียกกันว่าเป็นพรมลูกฟักนั่นเองบุคคลที่ฝึกกรรมาฐานแนวนี้เมื่อจิตถอดถอนออกมาสู่โลกภายนอกแล้วจะสามารถเห็นโลกว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนได้เหมือนกัน เพราะเมื่อรู้เห็นสิ่งใดก็ไม่คิดเติมความสำคัญหมายใดๆลงในการรู้บางท่านคิดว่าตนเองสำเร็จเป็นพระอารหันต์แล้วเพราะไม่มีกิเลสใดๆเกิดขึ้นเลยแต่นั่นไม่ใช่สภาวะของความหลุดพ้นจริงๆเพราะเป็นสภาวะความว่างจากความเป็นตัวตนที่จิตปรุงแต่งขึ้นเป็นการข่มกิเลสได้ชั่วคราวด้วยการเพ่งรูป จนจิตติดตรึงอยู่ในอารมณ์นิ่งโดยไม่ต้องเพ่งเท่านั้นจึงรู้สึกว่าหมดกิจแล้วเพราะไม่ต้องเพ่งไม่ต้องกำหนดอีกแล้วนอกจากนี้สภาวะของรูปนามยังแยกออกเป็นสองส่วนคือส่วนของจิตภายในถูกทำให้กลวงว่างเปล่าและไม่รับรู้ในขณะที่จิตหลงแนบนิ่งอยู่กับอารมณ์ภายนอกเมื่อใดที่กาลังจากการเพ่งลดลง กิเลสจะกำเริบรุนแรงกว่าคนปกติหลายเท่านักการละทิ้งจิตยังทำได้อีกวิธีหนึ่งคือ 2. การเพิ่มแรงกดดันให้จิตเครียดสุดขีดแล้วจิตจะสลัดตัวหนีทุกออกไปปรุงแต่งความว่างขึ้นมาแล้วเข้าไปอยู่กับความว่างนั้นโดยไม่สนใจที่จะรู้จิตเลยวิธีนี้ทำได้หลายอย่างเช่น กการกำหนดอารมณ์ต่อเนื่องกันไม่ให้ขาดสายจนจิตเคร่งเครียดสุดขีดและขการปฏิบัติอย่างหักโหมเช่นนั่งหรือเดินต่อเนื่องกันทั้งวันทั้งคืนคราวละหลายหลายวันเมื่อเกิดความเครียดถึงขีดสุดบางท่านถึงกับเกิดอาการผิดปกติทางจิตหรือเกิดการเจ็บป่วยทางกาย แต่บางท่านจิตจะหลบออกไปหาความว่างภายนอกเพื่อหนีทุกข์ซึ่งปรากฏอยู่ที่จิตจนนึกว่าจิตหลุดพ้นแล้วเพราะจิตหลุดออกไปอยู่ภายนอกจิตจะสว่างสวายอยู่ภายนอกมีความสบายเบิกบานเห็นโลกภายนอกว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนแต่ไม่เห็นจิตตนเองจะรู้สึกว่าภายในกลวงและจิต ไม่อาจย้อนเข้ามาดูภายในได้มีแต่เป็นหลงสบายอยู่ภายนอกเท่านั้นผู้ที่ปฏิบัติแนวนี้บางท่านจิตมักจะปรุงความเมตตาขึ้นมาแล้วอยู่กับความเมตตานั้น 9.4.4 การพยายามเพิ่มประสิทธิภาพในการรู้เกิดจากความไม่มั่นใจว่าการตามรู้เพียงเท่านี้จะได้ผลเพียงพอแก่การรู้ธรรม จึงต้องพยายามเพิ่มประสิทธิภาพของการรับรู้นั้นด้วยวิธีการต่างๆเช่น 9.4.4.1 การช่วยคิดพิจารณาสภาวธรรมที่กำลังถูกรู้นั้นเช่นเมื่อรู้โทสะก็พยายามคิดว่าโทสะไม่ดีนำความทุกข์มาให้โทสะมีโทษมากอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้น 9.4.4.2 การเพ่งจ้องอย่างเอาเป็นเอาตายต่อสภาวธรรมนั้นเพื่อจะรู้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นหรือเพื่อเพ่งให้ดับหรือบางทีถึงกับตามจ้องจนลืมตัวถล่มเข้าไปในจิตส่วนลึกซึ่งในขณะนั้นยังรู้อารมณ์อันนั้นได้อยู่แต่เป็นการรู้แบบคนที่จะโง่ดูสิ่งของในน้ำจนตนเองตกน้ำแล้วยังไม่รู้ตัวว่าตกน้าก็มี 4. 4. การเพิ่มคุณธรรมแบบปรับสมดุลเกิดจากการคิดว่าเรายังขาดคุณธรรมอย่างนั้นอย่างนี้เช่นขาดทานศีลหิริโอตตปะสัจจะธรรมะขันติจาคะเนคขมะสัทธาสติวิรยิยะปีติปัสสธิสมาธิอุเบขาปัญญา เปแ น, น่แะจะต้องเพิ่มคุณธรรมเหล่านั้นให้เพียงพอและสมดุลกับความดีอื่นๆเสียก่อนจึงจะเจริญสติได้แท้จริงถ้ามีความรู้ความเข้าใจคือมีสัมมาทิฏฐิจนรู้จักเจริญสติได้แล้วคุณธรรมฝ่ายดีทั้งหลายจะเกิดขึ้นได้โดยง่ายหากมุ่งเพิ่มบารมีต่างๆโดยละเลยการเจริญสติก็เหมือนคนที่เตรียมสเสบียงเพื่อเดินทางไกล แต่ไม่ยอมก้าวเท้าออกจากบ้านสถทีอีกอกี่ปีก็ไปไม่ถึงจุดหมายที่หวังไว้ 9.5 ต้องรู้สภาวะและลักษณะของรูปนามนั้นตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าการรู้ตามความเป็นจริงต้องรู้ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่รู้ตรงสภาวะที่คาดคะเนเอาเองหรือตรงตามที่อาจารย์สอน แต่ขัดหรือแย้งกับคำสอนของพระพุทธเจ้ากล่าวคือ 9.5.1 สภาวะที่สติระลึกรู้รูปนามที่สติไประลึกรู้นั้นต้องมีสภาวะตรงตามคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเช่นสติมีลักษณะเป็นความระลึกได้ไม่ใช่การกำหนดปัญญาหรือวิปัสนาญาณ เป็นความรู้จริงของจิตไม่ใช่อาการแปลกๆทางร่างกายและทุก์เป็นความรู้สึกทุกข์ไม่ใช่รูปธรรมเป็นดวงกลมๆสีแดงๆเป็นต้น 9.5.2 ลักษณะที่ปัญญารู้หากสติระลึกรู้สภาวธรรมได้ถูกต้องจิตจะเกิดอาการรู้ตื่นและเบิกบาน ด้วยคณิกะสมาธิขึ้นมาเองชั่วขณะและอารมณ์รูปนามจะต้องแสดงไตรลักษ์อย่างใดอย่างหนึ่งให้จิตเห็นเช่นรูปแสดงความเป็นทุกข์และความเป็นาธาตุให้เห็นและนามแสดงความไม่เที่ยงและการบังคับไม่ได้ให้เห็นโดยเฉพาะนามธรรมาในฝ่ายอากุศลจะต้องดับทันทีที่สติเกิดขึ้น 9.6 เหตุผลที่ต้องรู้สภาวธรรมตามความเป็นจริงก็เพราะว่าเราจําเป็นต้องรู้ความเป็นจริงของสภาวธรรมเหล่านั้นไม่ใช่ต้องการดัดแปลงหรือควบคุมสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งนี้ตามหัวข้อที่3และ4ของบทความนี้ก็ได้กล่าวไว้แล้วว่าความไม่รู้จักสภาวธรรมตามความเป็นจริงหรืออวิชชาทําให้เกิดตัณหาอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ หากทำลายความไม่รู้เสียได้ตัณหาและทุกข์จะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้อีก 9.7 การพยายามเข้าไปแทรกแซงการรู้สภาวธรรมจะก่อให้เกิดความหลงผิดหนักยิ่งขึ้นเช่นเมื่อกิเลสคือความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นแล้วผู้ปฏิบัติพยายามละกิเลสนั้นด้วยการบริกรรมว่าฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอ ไม่นานความฟุ้งซ่านก็จะดับไปได้เพราะการบริกรรมไปยับยั้งความคิดอันเป็นต้นต่อของความฟุ้งซ่านผู้ปฏิบัติก็จะเกิดความสำคัญผิดว่ากิเลสเป็นสิ่งที่บังคับควบคุมได้คือเป็นอัตตาหรือจิตนี้เป็นตัวตนของเราที่สั่งได้ตามชอบใจก็เป็นอัตตายิ่งปฏิบัติยิ่งชำนาญในการเพ่งจ้องหรือบริกรรมแก้กิเลส ความหลงผิดก็ยิ่งพอกพูนก่อให้เกิดมานะอัตตามากกว่าเก่าสิอีกรวมทั้งไม่มีโอกาสรู้ข้อเท็จจริงว่าทำใดเกิดแต่เหตุถ้าเหตุดับทำนั้นก็ดับกลายเป็นว่าเราดับทำนั้นได้ตามใจชอบเพราะเราฝึกวิปัสสนาจนเก่งแล้ว 9.8 โดยธรรมดาของปุถุชนแล้ว อกุศลจิตย่อมเกิดอยู่แทบตลอดเวลาส่วนกุศลจิตเกิดขึ้นน้อยมากเช่นเรามักจะนั่งใจลอยทีละนานๆอาจจะเป็นชั่วโมงๆด้วยอำนาจของโมหะจึงเกิดระลึกรู้ทันว่ากำลังใจลอยอยู่ในขณะใจลอยนั้นจิตเป็นอกุศลแต่ขณะที่มีสติรู้ทันและความใจลอยดับไปโดยอัตโนมัตินั้น จิตเป็นกุศลเรียบร้อยแล้วทันทีที่เกิดสติหรือรู้อกุศลจะดับไปเองเมื่อมีสติหรือรู้จึงไม่มีอกุศลจะให้ละแต่สิ่งที่ถูกละไปได้แก่อนุสัยหรือกิเลสที่ซ่อนลึกอยู่ในจิตใจด้วยเหตุนี้แหละหน้าที่ของเราจึงมีเพียงการรู้ไม่ต้องละกิเลสเพราะในขณะที่สติบริบูรนณนั้น ไม่มีกิเลสจะให้ละแม้แต่ความทุกข์ก็ไม่ต้องไปคิดละมันหากมันมีเหตุมันก็เกิดหากหมดเหตุมันก็ดับหน้าที่ของเราคือรู้ทุกเท่านั้นก็พอแล้วจุดอ่อนของผู้เจริญสติก็คือจับหลักการเจริญสติได้ไม่แม่นยำจิตจึงพลิกไปเป็นอกุศลอีกได้ในพริบตาเดียวคือพอเกิดความรู้ตัวเพียงวับเดียว แล้วก็อาจหลงคร่ำครวญถึงอดีตว่าตายละเราหลงมาตั้งชั่วโมงหนึ่งแล้วอย่างนี้จะเอาดีทางธรรมได้อย่างไรหรือเกิดห่วงกังวลถึงอนาคตว่าทำอย่างไรเราจะไม่หลงไปเหมือนที่เคยหลงมาแล้วการพยายามทำอะไรมากกว่ารู้ไปตามธรรมดาทีละขณะทีละขณะนี้แหละเป็นความผิดพลาดอย่างสำคัญทีเดียว 9.9 การรู้นั้นหากบริสุทธิ์บริบูรณ์ถึงขีดสุดจะมีสภาพที่เรียกว่าสักว่ารู้เป็นสภาวะรู้อารมณ์ที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงอย่างแท้จริงโดยไม่เติมแต่งสิ่งใดลงในการรับรู้นั้นแม้แต่น้อยเช่น 1. ไม่เติมคำว่าจงใจที่จะคิดคำหนึ่งถึงสภาวะธรรมหรืออารมณ์นั้นๆว่านี้คือรูป นี้คือนามชื่อนี้นี้ทำกิจอย่างนี้มีผลอย่างนี้มีเหตุใกล้อย่างนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไม่งามและที่กำลังรู้อยู่นี้ก็เป็นสักว่ารู้และสองไม่เติมความจงใจที่จะหมายรู้จิตแม้แต่น้อย 9.10 เจตจำนงหรือความจงใจ หรือโลภเจตนาที่จะหมายรู้อารมณ์ของใจซึ่งครอบคลุมทั้งการหมายรู้อารมณ์และการหมายรู้จิตนี้เองเป็นอาหารหรือเป็นปัจจัยให้เกิดการกระทำกรรมหรือกอบพฤติกรรมทางใจและพฤติกรรมทางกายในขั้นต่อมาที่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมหรือการทำกรรมฐานขึ้นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของการเกิดความจงใจ ก็คือตัณหาหรือความอยากจะให้กายใจของเรามีความสุขและพ้นจากทุกข์อย่างถาวรสิ่งที่อยู่เบื้องหลังตัณหาก็คืออวิชชาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 1. ความไม่รู้ทุกข์คือความไม่รู้ว่ารูปนามนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราหากแต่เป็นสมบัติของโลก จึงเกิดความอยากจะให้กายใจของเรานี้มีแต่ความสุขและพ้นทุกข์ถาวรและ 2. ความไม่รู้สมุทยัยคือไม่รู้ว่าการดิ้นรนหนีความทุกข์และหาความสุขด้วยการสแสวงหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจบ้างด้วยการบังคับกายบังคับใจบ้างและด้วยการดีเกลี้ยงการกระทบอารมณ์บ้างจะก่อภพก่อชาติและก่อทุกข์ขึ้นมานักปฏิบัติส่วนมาก จะมีอย่างใหญ่แห่งความยึดจิตจึงอยากให้จิตของเราหลุดพ้นจึงต้องเที่ยวสแสวงหาธรรมเรื่อยไปโดยไม่รู้ว่าการดิ้นรนสแสวงหานั่นเองคือความปรุงแต่งฝ่ายดีหรือปุญญาพิสังขารหรืออัตติกิละมัฐานุโยซึ่งมีรากเหง้ามาจากอวิชชาเช่นเดียวกับความปรุงแต่งฝ่ายชั่วหรืออปุญญาพิสังขารหรือ การมาสุขขันธิกานุโยกนั่นเองความปรุงแต่งเหล่านี้ได้ปิดบังธรรมอันบริสุทธิ์ที่ปราศจากตัวตนหรือนิพพานไว้โดยปิดกั้นญาณทัศนะของผู้ปฏิบัติไว้ไม่ให้ประจักษ์ถึงนิพพานอันเป็นอมตะธาตุที่ปรากฏเต็มบริบูรณ์อยู่ต่อหน้าต่อตาได้ 9.11 อาการสักว่ารู้นั้นเกิดเพราะปัญญาซึ่งมีหลายระดับคือ 1. จิตมีปัญญารู้ทันความสุดโต่งสองด้านคือการหลงตามกิเลสไปสแสวงหาอารมณ์ภายนอกกับการเพ่งจ้องบังคับกายบังคับใจตนเอง 2. จิตมีปัญญารู้เท่าทันความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นเมื่อมีการกระทบอารมณ์ทางทวารทั้งหกและสิ่งที่สาคัญก็คือ 3. จิตมีปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของอารมณ์ทั้งปวงว่าเป็นของชั่วคราวเช่นสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวจิตก็หมดความอยากได้อารมณ์อันหนึ่งแล้วเกลียดชังอารมณ์อีกอันหนึ่งมีความเป็นกลางต่ออารมณ์ทั้งปวงเข้าถึงการสักว่ารู้คือสิ่งใดปรากฏให้รู้ก็รู้ไปด้วยความไม่ยินดียินร้าย เพราะมีปัญญาคือสังขารุปเปกขาญาณรู้เท่าทันว่าความปรุงแต่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราว 9.12 เมื่อปราศจากความจงใจที่จะหมายรู้อารมณ์แต่รู้อารมณ์คือปรมัตและปราศจากความจงใจที่จะหมายรู้จิตแต่รู้จิต ก็จะสามารถรู้อารมณ์และจิตได้ตรงตามความเป็นจริงในที่สุดปัญญาก็จะแก่รอบคือเกิดการรู้ทุกข์หรือเกิดความรู้แท้ในขันเบื้องต้นจะเกิดความรู้แท้ว่าขันไม่ใช่เราเราไม่ใช่ขันไม่มีตัวเราในขันหรือในสิ่งอื่นนอกจากขันนี่คือปัญญาเบื้องต้น เป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันนั่นเองเมื่อตามรู้รูปนามต่อไปอีกก็จะเกิดปัญญาเห็นว่าเมื่อใดจิตเกิดตัณหาคือความทยานอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะกามคุณอารมณ์หรือแม้แต่เกิดตัณหาที่จะคิดถึงกามคุณอารมณ์เมื่อนั้นความทุกข์ทางใจจะเกิดขึ้น เมื่อใดจิตไม่เกิดตัณหาเมื่อนั้นจิตจะมีความสงบสุขอยู่ในตัวเองผู้มีปัญญาถึงขั้นกลางนี้จะพอใจในความสงบของจิตเห็นจิตที่สงบระงับจากกิเลสตัณหาเป็นจุดหรือเป็นเกาะแห่งความพ้นทุกข์กลางทะเลแห่งสังสารวัฏจึงหมดความแสสายดิ้นรนออกไปแสวงหากรรมกุณอารมณ์จิตมีสมาธิบริบูรณ์ คือทรงตัวตั้งมั่นเด่นดวงอยู่โดยไม่ต้องรักษานี้เป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีเมื่อตามรู้รูปนามต่อไปอีกจนมีอินทรีย์แก่รอบถึงที่สุดแล้วจริงๆก็จะรู้ทุกอย่างแจ่มแจ้งในจับพลันทันใดคือจะพบเห็นว่าจิตนั่นเองเป็นธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งยังตกอยู่ใต้อำนาจของไตรลักษณ์ จะเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยใดใดไม่ได้เลยบางท่านที่มีศรัทธากล้าจะเห็นความไม่เที่ยงของจิตบางท่านที่มีสมาธิกล้าจะเห็นความเป็นทุกข์ของจิตและบางท่านที่มีปัญญากล้าจะเห็นความเป็นอนัตตาของจิตฉับพลันจิตก็สลัดคืนจิตสู่ธรรมชาติเพราะรู้แจ้งแล้วว่าจิตเองเป็นก้อนทุกข์ล้วนไม่จิตของดีของวิเศษ อย่างที่เคยรู้สึกและหวงแหนถนอมรักษามาแต่เดิมการรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งนี้เองทำให้สมุทัยคือตัณหาถูกละโดยอัตโนมัติและจับพลันทำอย่างหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นความสงบสันติปราศจากกิเลสและปราศจากขันว่างจากตัวตนและความปรุงแต่งอย่างแท้จริง ก็จะปรากฏเต็มบริบูรณ์อยู่ต่อหน้าต่อตานั่นเองนี้คือที่สุดแห่งทุกข์คือนิโรธคือนิพพานอันหนึ่งจิตที่บริสุทธิกับนิพพานเป็นธรรมคนละอย่างกันคือจิตที่บริสุทธ์เป็นธรรมชาติรู้ที่ปราศจากตัวตนไร้รูปรักษณ์ขนาดขอบเขตและที่ตั้ง แต่ก็ยังเป็นสิ่งที่ตกอยู่ในกลุ่มธรรมที่ต้องเกิดดับส่วนนิพพานซึ่งเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ปราศจากตัวตนไร้รูปรักษ์ขนาดขอบเขตและที่ตั้งเช่นกันแต่นิพพานเป็นอารมณ์ที่จิตตปรู้เข้าโดยไม่มีผู้ครอบครองเป็นเจ้าของนิพพานและพ้นจากความเกิดดับ 9.13 สภาวะสักว่ารู้ อันเกิดจากปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามจนเกิดความเป็นกลางต่อรูปนามจะส่งผลให้เข้าถึงความสลัดคืนรูปนามและถึงที่สุดแห่งทุกได้สมดังคำสอนของพระบรมศาสดาที่ประธานแก่ท่านพระพาหิยะว่าดูก่อนพาหยะในการใดแลเมื่อท่านเห็นจักเป็นสักวาเห็น เมื them, osa, word, ่อฟังจักเป็นศ ouais. ักวาฟังเมื่อทราบจักเป็นศักวาทราบเมื่อรู้แจ้งจักเป็นศักว่ารู้แจ้งในการนั้นท่านย่อมไม่มีในการใดท่านไม่มีในการนั้นท่านย่อมไม่มีในโลกนี้ย่อมไม่มีในโลกหน้าย่อมไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองนี้แลเป็นที่สุดแห่งทุกข์ จากพาหิยะสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อ49